s a r a g c h เวลาที่เราฟังธรรมกันก็จริงๆแล้วการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของการฟังยาตโยมอาจจะฟังอะไรมา มากลหลายอย่างที่เป็นเรื่องของเสียงในการฟังทั้งหมดแต่ต่อมาได้พิจารณาว่าการฟังที่เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตแ ด, ดจิตวิญญาณไม่มีอะไรยิ่งกว่าการได้สหรับรับฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างอื่นอาจจะฟังเพื่อความสนุกความไพเราะแต่ว่าการฟังธรรมนะเป็นการทำให้จิตบิญญาณของมนุษย์ที่หลับไหลอ ย, อยู่หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม แม้แต่พูดผีปีศาจที่เรามองไม่เห็นหรืออามนุษย์ทั้งหลายแม้เทพธทดาทั้งหลายเคยสรรเสริญรมของพระพุทธเจ้านะว่าภัยร้อนักในเบื้องต้นภัยร้อนักในถ้ำกลางแล้วก็ภัยร้อนักในที่สุดอาทิกัรลยานังมาเชกัรลยานัง ปริโยซาณกัลยานะแม้ในที่สุดในปริโยสารท้ายสุดธรรมของพระพุทธเจ้าไพเราะยิ่งนักนี่เทพธิดาเขาสรรเสริญว่าเทพก็ชมพรมก็สรรเสริญในพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าเทพเขาฟังมนุษย์บนบานสารกล่าวมาเยอะพูดทุกภาษาเขาก็ฟังมาเยอะแต่เขาไม่สรรเสริญมาสรรเสริญพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าภัรละฉะนั้นจิตวิญญาณในที่สุด แห่งอวสานหรือประวัารทั้งหมดในการฟังที่จะสิ้นสุดลงก็คือสัจจะแห่งความจริงเพราะตมาได้เห็นข้อหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือทุกคนต้องการความจริงหรือสัจจะแห่งความจริงและความจริงใจด้วย เมื่อไรเรารู้ว่าที่นี่ไม่จริงใจเราก็ไม่อยากจะอยู่คำพูดนี้ไม่จริงเราก็ไม่อยากจะฟังและสุดท้ายเราก็ขาดคำว่าศรัทธาความเชื่อเมื่อหมดศรัท ธ, ธาความเชื่อคาพูด จะพูดด้วยคำหวานคำลวงคำเท็จคำล่อลอกเพียงไหนจิตดวงนั้นเขาไม่ยินยอมที่จะรับในสิ่งนั้นอีกเลยสุดท้ายก็คือความจริงที่มนุษย์ต้องพูดออกมาจากหัวใจ แล้ววันนี้ผู้ภาวนาเราเป็นผู้ภาวนาขั้นไหนแล้วขั้นลวงขั้นหลอกขั้นจริงใจหรือจริงแท้พูดโดยธรรมพูดโดยสัจจพูดเป็นปรมัตาธรรมหรือพูดเป็นโดยสมดดยรรมติ ก็ทุกคําพูดเราก็ใช้กันมาเยอะแต่ว่าในที่สุดยอมต้องพูดความจริงและในที่สุดเราต้องยอมรับความจริงสองอย่างเนี่ยหลายคนที่ขาดการพูดความจริงและการยอมรับ ถ้าในหัวจิตหัวใจของผู้ภาวนาไม่มีสองอย่างนี้ใช้สุดท้ายเราจะไม่เหลือกวมาสัทธาแม้แต่ตัวของตัวเองเพราะเราคือผู้เสื่อมจากความจริงก็เหมือนกับสูญเสียทุกอย่าง ยมจำได้ไหมในสุดหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเดินพ ร, ร่ำเลยเดินเพ้อเลยข้าพระเจ้าเป็นผู้เสือ่อมเนอข้าพระเจ้าเป็นผู้เสือ่อมเนอเดินพ ร, ร่ำไปเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าได้สระรับฟังแล้วก็ได้รับสั่งว่า หรือได้ตรัสถามว่าเหตุอันใดจึงกล่าวเช่นนี้ว่าเป็นผู้เสื่อมหรือเสื่อมหนอก็ได้เล่าให้ฟังบัดนี้ค่ะพระพุทธเจ้าได้เสื่อมจากทรัพสมบัติที่เคยมีเสื่อมจากยศที่เคยมีเสื่อมจากที่อยู่ที่กินญาติมิตรพี่น้อง สรุปว่าไม่มีอะไรเหลือก็เหลือแค่ร่างกายกับชีวิตและก็มีจิตใจที่ยังรับรู้ชะตากรรมอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอยังไม่เสื่อมอย่างแท้จริงบอกยังมีอีกหรือพระเจ้าค่ะ อย่างนี้ยังไม่เสื่อมอีกเลยบอกอยังคนที่เสื่อมแท้จริงก็คือเป็นคนที่เสื่อมจากปัญญาคือไม่รู้ความจริงเช่นที่พวกเราจเจริญกันด้วยคำว่าหลอกลวงกันจเจริญด้วยคำว่าหัวขโขนจเจริญด้วยคำว่าหน้ากากจเจริญด้วยคำว่าสมมุติกันเนี่ย หรือสิ่งจอมปลอมหรือฉากที่เขาจัดไว้นะอย่าไปดีใจชีวิตที่น้อยๆชีวิตอันสั้นๆอย่าไปดีใจอย่าไปดีใจฉะนั้นวันนี้การภาวนาของผู้ปฏิบัติ ถึงความจริงใจแล้วอย่างถ้าจริงใจก็หยุดหลอกผู้อื่นถ้ายังหลอกตัวเองอยู่เราก็ไม่เลือกหลอกผู้อื่นถ้ายังโกหกตัวเองอยู่โกหกความจริงยังปิดบังความจริงก็โกหกตัวเองอยู่และสุดท้าย เป็นคนที่ไม่มีอะไรพูดที่เป็นความจริงได้สุดท้ายสาระแก่นสารไม่มีที่เป็นคุณธรรมมีได้แค่วัตถุธรรมแต่สูญเสียด้านศีลธรรมไปแล้วมันไม่ใช่ฉะนั้นการฟังธรรมบอกไเร่เบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะอะไรเบื้องต้น แสดงให้เห็นพวกเราให้หยุดการกระทาที่เป็นบาปอาุูสนทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ได้มีสองข้อสำคัญใหญ่ๆ ห, หนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองก่อนคือไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นสองข้อนี้ เป็นหัวข้อหลักถ้าโยมไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็อยู่อย่างผู้ร่มเย็นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็อยู่อย่างเป็นสุขสองข้อนี้วันหนึ่งโยมต้องทำให้ได้วันนี้อาจจะเร็วไปเพราะหลายๆอย่างยังไม่ลงตัว ถามอาจะมาเข้าข้างไมไม่เข้าข้างแต่หวังไว้ว่าวันหนึ่งโยมจะเดินได้ตรงกว่านี้ถ้าเราเอาเหตุผลหวังเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเนี่ยจนไม่เอาศีลทำเนี่ยเหตุผลมันได้แต่สิ่งที่ได้สุดท้าย มันเป็นบาปมันเป็นตราบาปเป็นความไหยนะเป็นความทุกข์แล้วก็เราไม่สามารถที่สุดก็ไม่สามารถครอบครองสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถาวรแล้วพวกเราไปเอามาทําไหมในเมื่อเราไม่สามารถครอบครองสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงเราหลอก จิตวิญญาณตัวเองทําไหมเราหลอกชีวิตอันสั้นๆเพื่อประโยชน์อะไรบอกความจริงกับเขาไปว่าตรงไหนที่เราควรยืนตรงไหนที่เราควรนั่งตรงไหนที่เราควรทําตรงไหนที่เราควรใช้จ่ายแบ่งให้ถูกไม่เบียดเบียนตน คำนี้จะว่าแคบก็แคบนิดเดียวจะบอกว่ากว้างก็แปลกันไม่หมดไม่เบียดเบียนตนจบแล้วธรรมาไม่มีคำบรรยายสำหรับตัวเราเองเราไม่เบียดเบียนละแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นบาปจะไม่เกิดกับเราจนวันตาย สิ่งชั่วร้ายก็ไม่สามารถก้ำกลายเข้ามาในสุดท้ายของอวสานชีวิตตายอย่างผู้ไม่มีบาปนี่คุ้มนะอาจจะมาเจอลูกศิษย์ที่เป็นศัสดีคนหนึ่งแต่หัวเราะดังฐานะก็ไม่ได้รวยไม่ได้จนมีเงินเดือนราชการใช้ เข้าไปได้รับตาแหน่งสัสดีตรงฉินไม่กินแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหัวเราะเสียงดังพูดไม่ไอใครไม่ต้องดึงมือมาคุยกันสองคนไม่มีเสียงกระซิบกระซาบรับทราบได้หมดทุกคนโปร่งใสที่โปร่งใสเพราะจิตภายในเนี่ย ไม่มีความโลภอยู่ไปอยู่มาฐานะทางบ้านจนก็ไม่ได้ว่าจนมากก็อยู่แบบชีวิตที่มีเงินเดือนก็ใช้เลี้ยงครอบครัวลูกเมียจนผ่านไปสุดท้ายก็กเกษียณ และสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปแล้วเขาไม่สูญเสียในเรื่องของศีลธรรมและคุณธรรมความโลภมาทำลายจิตวิญญาณของโยมไม่ได้ตรรมาบอกออเขาเลือกถูกถึงมีทรัพย์ก็ไม่ได้เอาไป ชีวิตอยู่ก็ยังมีใช้มีจ่ายมีกินเจ็บป่วยก็ยังพอ ม, มีค่ารักษาตามเหตุฐานะที่พึงรักษาก็สมควรเวลาร่างกายนี้อยู่นานไปก็เป็นทุกข์ในโยมนะโยงอย่าไปหวังเอาสักเก้าสิบหรือเก้าสิบห้ามาบอกขอตามานี้หกสิบถ้าถึงก็สาธุแล้ว ริงไม่อยากจะทนดูความแก่ของตัวเองภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไรไม่ค่อยจเจริญตาเท่าไรคิดแค่นั้นแต่ถ้าจะเกินก็ไม่ได้ว่าก็อยู่ไปแต่อยู่แบบคนแก่ยมก็คิดเองแล้วกันหูตาฝ้าฟาง ทุกอย่างคำว่าคนแก่ยมเข้าใจนะไม่ต้องแปลยาวจะกินจะนั่งจะนอนมันสุขตรงไหนจะพาไปเที่ยวโทหัวใจก็จะวายโรคก็เยอะหมอก็นัดไปไหนก็ไม่อิสระ มันเป็นทุกข์ยิ่งอยู่นานมากใช่ว่ามีเงินทองแล้วจะไม่ทุกข์มันเรื่องของเงินทองแต่นี่มันเรื่องของร่างกายแล้วไหนจะเรื่องของจิตวิญญาณอีกจะมาบอกอยู่เรื่อยบอกเราไม่สามารถควบคุมชีวิตได้ทุกๆเรื่องเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ทุกๆอย่าง บางอย่างเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นและบางอย่างอยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นยอมยอมรับกฎกรรมข้อ น, นี้ด้วยนะในฐานะที่เกิดมาเดิมทีแตมาก็นดิ้นใหญ่ไม่เอาต่อสู้พอเข้าใจธรรมะขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งของปัญญาแล้วก็ สู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็หยุดหัวใจที่วุ่นวายให้ได้เข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ไม่สู้นะคนปฏิบัติธรรมนี้โอ้โ ห, โโหเรื่องจิตพลังจิตนี้<ม>ยิ่งกว่าปุถุชนผู้มากด้วยกิเลสที่หวังด้วยคำว่าโลภโกรธหลงแต่เราสู้กับกิเลสสมาน เราไม่ได้สู้รบที่ต้องขมหันกันด้วยเวรด้วยบาปไม่ใช่หรือด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานอย่างนั้นเราไม่ได้สู้แบบนั้นยงดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ศาสตราวุธเลยใช้ศีลสมาธิปัญญา สู้มาไม่รู้กี่พบตอกี่พบไม่ใช่พบเดียวที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสู้มาตลอดใช้ศีลสามาธิปัญญาวันนี้ก็ถึงเราท่านทั้งหลาย ค้นหาความจริงโยมลองดูจริงอยู่ว่าโยมไม่มีญาณที่จะรู้อนาคตแต่ตมาพอชี้ให้ดูโยมดูสูสารที่ฝังเรียงรายสุดลูกหูลูกตาเขาก็เหมือนเราเมื่อก่อน แล้วก็เราอีกหน่อยก็เหมือนเขาที่เป็นอดีตไปแล้วแต่พวกเราจะเป็นอนาคตแต่เขาเป็นอดีตไปแล้วบรรพบุรุษลูกหลานเป็นอนาคตบรรพบุรุษเป็นอดีตโ ย, ยมจําง่ายๆไม่ต้องท่องก็ได้แล้วก็มองบุคคลเนั้นก็มีชีวิตมีเลือดเนื้อมีตัวตนมีโลภโกรธหลงทางนั้น ดิ้งรนไม่ได้น้อยกว่าเรานะการเข็นฆ่าการเบียดเบียนไม่ใช่มีแต่ยุคของเรามีมาตั้งแต่ยุคที่เราเริ่มเกิดแล้วมีมาแต่ไหนแต่ไรสรุปอย่างนี้มีมาแล้วแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครด้วย ก็ดาเดินต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายโยมไม่มองไปในอนาคตบ้างหรือที่เห็นอดีตของคนเหล่านั้นว่าเขาเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเป็นเช่นนี้เองกันอนเรียงรายกันไป คุณค่าอยู่ตรงไหนโยมว่าเขาเหลือความดีไว้หรือเปล่าหนึ่งคำถามแล้วสิ่งที่เขาได้บุญคุณสนที่เกิดมาเขาได้ไปหรือไม่คำถามที่สองแล้วความจริงใจที่เขามีชีวิตอยู่เขาอยู่ด้วยความจริงหรืออยู่ด้วยคาว่าลวง โยมจะหลอกใครได้อะไรมามันก็ไม่ยั่งยืนหลอกอาตมามานั่งหนักเบาคืออะไรดูหนักเบาก่อนว่าอะไรที่มันหนักกว่าเบากว่าตวงวัดช่างดูปริมาณปริมาตรอะไรหนักอะไรเบากว่า แล้วโยมก็ต้องเลือกโยมจะอยู่ฝ่ายไหนเมื่อถึงเวลาระหว่างมารกับพระดีกับชั่วบุญกับบาปนรกสวรรค์บัคผลนิพานเหตุผลจะให้ชั่วมันก็มีให้ชั่วเหตุผลจะให้ดีก็มีให้ดีอยู่ที่ว่าสติจิตเวลานั้นน้ำหนัก ใครมากกว่ากันถ้าความโลภมากกว่าความถูกต้องคุณธรรมตามหลักแต่ถ้าความโลภมีน้อยกว่าคุณธรรมอยู่เหนือกว่าศีลธรรมมีกาลังกว่าเหตุผลความโลภการเบียดเบียนความชัว่วก็ถูกบัญทอนลง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าโยมจะชนะครั้งนี้และครั้งต่อไปจะชนะอีกหรือไม่เพราะเหตุเกิดแต่ละครั้งหนักเบาไม่เท่ากันเรื่องเกิดแต่ละครั้งบุคคลอาจจะต่างกันถึงบอกบางครั้งเราก็รู้สึกหวั่นไหวได้โยมเข้าใจนะครับนี่บางครั้งเราก็รู้สึก สัมผัสได้ว่าเรามีใจสงบบางครั้งเราก็รู้สึกสับสนบางทีเราต้องหาคำตอบจากคนอื่นซึ่งตัวเองตอบยังไม่ได้เลยมันขาดความมั่นใจหรือว่าขาดความกล้าหรือขาดคุณธรรมอะไรก็สุดแล้วแต่ การภาวนาชี้เป็นชี้ตายเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราความคิดของเราคำพูดการกระทำฉะนั้นทำไมจึงบอกให้กำหนดใช้ศีลสมาธิปัญญาสู้ศีลเพื่อปกป้องรักษากายวาจาให้สงบจากบาปโดยประการทั้งปวง สยมยังปฏิบัติต่อศีลอยู่เหตุผลอะไรที่ละเมิดศีลโยมก็ไม่ทำแสดงว่าศีลคุ้มครองสติก็ไม่เศร้าหมองแต่ยมอาจต้องสูญเสียด้านวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่ยมอยากได้อยากมีอยากเป็นมันอาจจะไม่ได้ถ้าเลือกศีลธรรมจงบอก เออการภาวนาสุดท้ายก็ต้องฟังหลักคําสอนของพระพุทธทเจ้าเมื่อโยมเลือกไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่เหนือสิ่งที่เป็นกิเลสได้นี่คือหนทางของเหล่าพระอริยะจุดเริ่มต้น ที่โยมเป็นไม่ได้ไปไม่ถึงรู้ไม่จริงก็เพราะเราไม่ได้เริ่มจากผลของศีลก่อนอำนาจศีลโยมอย่ามองข้ามความดีก็เริ่มจากข้อศีล น, นั่นแหละคนไม่มีศีลก็คือคนไร้ธรรมคนไม่มีธรรมก็คือคนไร้ศีล โยมลองกําหนดดูตมานั่งดูศีลกับธรรมแยกกันได้ไหมเนาะธรรมกับศีลแยกกันออกไหมเนอไม่ออกมันเกี่ยวโยงและเกี่ยวเนื่องมันสัมพันธ์กันมันสัมผัสกันอยู่ระหว่างศีลกับธรรมธรรมกับศีลโยมบอกว่าฉันไม่มีศีลนาบอกคนนี้ไร้ธรรม ถ้าคนนี้ไม่มีธรรมะคนนี้ก็ไม่มีศีลธรรมอยู่ดีสุดท้ายถึงบอกเออแสดงว่าเริ่มจากศีลก็มีธรรมคุ้มครองลหละฉะนั้นโสดาบรันพระอริยบุคคลถามโยมปฏิบัติเอาจริงไหมเอาคุณธรรมศีลธรรมจริงๆ ก็ต้องไม่หวั่นไหวต่อชีวิตสั้นๆที่เกิดมาด้วยกิเลสตัณหาที่ฝังลึกอยู่กับผู้คนหลากหลายอยู่กับชีวิตอยู่กับจิตของเราที่เคยมีมาด้วยจริงๆว่าไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือทางรอดโยมก็ปฏิบัติเลยโยมดู วันนี้โยมพูดจริงกี่คำสิบคำเชื่อได้ที่ออกมาจากความบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนทำเพื่อความถูกต้องและถ้าโยมทำได้และก็ได้จริงๆ ยมจะมีความสุขแต่ถ้าไม่ใหม่มันแย้งกันคำว่าให้คำเดียวก็ขัดแย้งกับคำว่าการขอแล้วการบอกว่าปฏิเสธสิ่งที่อยากมันก็เหมือนกับไปต้านขัดขวางใจที่ดีมีความโลภแล้วถึงบอก เมื่อไรเราจะนั่งดูศีแต่มาจึงบอกจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็ว่าใหม่ๆกระบวดมาสองสามปีแล้วปฏิบัติก็ยังสับสนไม่รู้ไหนประตูไหนหน้าต่างจะเข้าจะออกทางไหน สับสนไปหมดจะเริ่มตรงไหนพระไตรปีดกและจะจบยังไงในพระไตรปีดกปฏิบัติธรรมเริ่มตรงไหนเป็นธรรมจบตรงไหนสิ้นสุดแห่งธรรมสับสนน่าดูปฏิบัติจูสองสามปีมุ่งเพียรมานะุสสหาวิริยะทุกรูปแบบ ทั้งกลางวันกลางคืนนะไม่ใช่แต่กลางวันชีวิตธรรมาภาวนาไม่ดูเวลามีแต่ว่าทุ่มเทเราบ้า ก, กับสิ่งอื่นได้ทำไมเราจะทุ่มเทกับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ทุ่มเทเหมือนกัน สุดท้ายจะมาไม่เข้าใจจนมีวันหนึ่งเข้าไปในป่าชานั่งปฏิบัติภาวนายังไม่รู้จุดตรงไหนวันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันมีฟุกกับไม่ฟุกอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติมีฟุกได้หรือยมฟุกบ้างไหมเนี่ย แม่วันนี้ฟลุกนั่งสบายจิตดีวันนี้ฟลุกรักษาศีลได้อย่าพูดให้เสียหายนะแม่วันนี้โชคดีรักษาศีลได้โอ้โหเป็นโชคเลยเนี่ยมีฟลุกมีโชคดีดวงเข้าข้างแม่วันนี้นั่งจิตขึ้นพรมโลกได้แตมาบอกถ้าอย่างนี้แตมาไม่ใช่ละ ปฏิบัติไปลาบลอยนี้มันไม่ใช่แล้วหาต้นชนปลายไม่ถูกอยู่ๆต่อมาก็เลยบอกเอาถ้าจะเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนำมาเริ่มจับแล้วไม่สนใจความรู้เอาความจริงดีกว่าความรู้มันเยอะแยะไม่รู้จะพูดตรงไหนก่อนวุ่นวายจัง วันนี้โง่เยปฏิบัติแบบโง่โงรู้มากมากเรื่องเอาละเริ่มต้นจากตัวเราเอาลืมตานั่งมองจับแข้งจับขายกคอขึ้นคอลงเออนี่ตัวเรานะาทำอะไรอยู่โง่ไม่ล่ะถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่คงกำลังหาทองคำมั้งยยไม่ต้องขำหรอกประชดตัวเอง ก็สะใจเหมือนกันแหละทําอะไรอยู่บอกกาลังนั่งนั่งทําอะไรหาเงินมะยังไม่เลิกประชดอีกดูคนนั่งทําอะไรบอกเออจะนั่งภาวนาภาวนาอะไรภาวนาเออภาวนาอะไร น่าคิดนาโยมภาวนาภาวนาอะไรภาวนาอะไรเออโยมภาวนาระหีฐาเหมือนกันหาใจแล้วหาศีลหรือหาธรรมะหาอะไรหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์หาความบริสุทธิ์หาบุญหาอะไรภาวนาหาอะไร ถามดีจังตอบไม่ได้ตั้งสติก่อนภาวนาหาอะไรอ๋อหาความเจริญและอะไรเจริญถามไม่หยุดไว้เป็นคำถามที่เป็นคำถามยังไม่หยุดในคำตอบที่เป็นคำถามต่อ หาวความเจริญเออพอเข้าใจแล้วความเจริญอะไรเจริญก็ศีลสมาธิปัญญาไงอ้าวกลับมาที่เดิมเอาเข้าท่าไว้เริ่มหาศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วศีลมันหาตรงไหนละ่ะโยมว่าตรรมงโง่ไหมละ่ะถามไม่จบ มีคำถามที่ต่อด้วยคำถามเป็นคำตอบที่ต้องเป็นคำถามต่อยังไม่มีคำสรุปจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาและศีลอยู่ไหนศีลอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาไหนละ่ะกายวาจาเป็นศีล ถามต่อไปเรื่อยๆเขาบอกว่าการสำรวมการให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลการสำรวมว่าจาให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าศีล น, นี่หรอศีลเอาไหนสำรวมยังไงจึงเป็นศีลอยากจะดูศีลเท่าน่อยได้อ่านแต่ศีลแต่ไม่เคยดูศีล เอาวันนี้ดูสิอาจจะมายังไม่พูดถึงสมาธิเลยเอาเริ่มต้นก่อนอยู่ๆจะไปเอายอดไม้บอกวันนี้ขอขึ้นโคนไม้ก่อนเด้อเอาเริ่มต้นก่อนเอาละ่ะเริ่มต้นละ่ะกำลังกลับไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กอดต้นไม้จะปีนแล้วงานนี่ นี่สมมุตินะว่าปัญญาก็คือยอดใช่ไหมศีลก็เหมือนกับอยู่กับคโคลนไม้นะ่ะเอาละตั้งท่าจะปีนแล้วนั่งดูสำรวมกายวาจาสำรวมยังไงเอานั่งให้นิ่งใช่ไหมเอานิ่งปากวาจาไม่พูดสงบปุ๊บผ่านไปสองสามสี่ห้าหกชั่วโมง เป็นไงท่านเห็นศีลอะไรยังเอาดูศีลบอกเห็นศีลอะไรยังนั่งดูบอกกายสงบไหมก็กายสํารวมไหมบอกอก็สํารวมแล้ววาจาสํารวมไหมก็บอกสํารวมเพราะไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ให้ร้ายใครไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยอ๋อนี่ยนะศีล สำรวมกายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลแล้วถ้าพูดอ่ะก็ไม่มีศีลท่ถามอีกพอไม่พูดบอกมีศีล น, นั่งนิ่งบอกมีศีล อ, อย่างนี้เด็กเพิ่งเกิดก็มีศีลทเด็กไม่ได้ทำบาปอะไรเลย ถูกไม่โยมพอเด็กเกิดมารักษาสี่ห้สี่แปดสีรยบคบ ร, รบริสุทธิ์บรรลุนะตมาสงสัยก็ถามต่ออย่างนี้เด็กก็บรุลุทเด็กยังด่าคนไม่เป็นเจตนาที่คิดอกุศลกับใครก็ยังไม่เป็น เ, ออเด็กก็บริสุทธิ์ก็อลังหันเลแล้วมันเกิดมาทำไมวะ น, นี่เด็กโยมสงสัยกับามาไหม ถ้าสงสัยตามไปดูเด็กก็บริสุทธิ์ตัวก็ขาวแววตาก็วาวมองแล้วเหมือนกับทะลุเข้าไปในดวงใจของแม่มีหน้าแม่จึงเห็นความไร้เรียงสาของเด็กแต่ตะมาคานว่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันเกิดมาทมําไหมอารหันยายต้องเกิดอีกแตะมาบอกเด็ก ถ้าเกิดแสงว่ายังต้องมีทุรีไม่มากก็อน้อยกิเลสต้องมีไม่มากก็อน้อยความซ่อหนองความซ่อนหมองต้องมีไม่มากก็อน้อยแต่มาบอกเราให้ได้แค่ว่าเป็นผ้าขาวแต่ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ที่เกิดมาเออคำถามจบไปหนึ่งคำถามแต่ยังไม่จบนะคำถามกลับมาที่เดิม เราไม่พูดเป็นศีลเราไม่ขยับขยีน้นเรียกว่าสำมรวมเป็นศีลถ้าศีลอย่างนี้เราไม่สามารถรักษาได้เพราะอะไรเพราะเราต้องมีอิบทนั่งเดินยืนนอนเราจะต้องมีคําพูดคําจาอีกและจะรักษายัางไนะอองอาเสียงว่ารูปปั้นมีศีลด้วยจะมาบอก เรามองแค่เปลือกรูปตรงนี้ไม่ใช่มองที่เนื้อสีคืออะไรสํารวมคือพูดยังไงไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เริ่มจับโอ้ร่างกายของเราทุกส่วนทำอะไรก็ได้แต่อย่าผิดให้ร้ายผู้อื่นและก็อย่าเบียดเบียนตัวเองออเริ่มชัดแล้วชัดแล้ว ไหนลองพูดดิพูดแบบมีสีให้ฟังหน่อยซิไม่ได้บ้านะไม่มีใครฟังเอาลูกาเทวดามาฟังหน่อยเป็นไงอยู่สุขสบายดีไหมเจ้านเออคำพูดที่เป็นสีนไม่เท็จไม่โกหกไม่สอเสียดไม่เพ้อเจอ้อ อ, อสีลอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่ว่าเงียบและเป็นสีนไม่ใช่ร่างกายไม่กระดุกกระดิกและเป็นสีลบอกยังไม่ใจต้องเดินต้องยืนต้องพูดต้องทาแต่พูดทาตรงนั้นต้องเป็นสีลด้วย อ, อสีลอยู่ตรงนี้รักษาได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อนเอาละเข้าใจละพอลุกขึ้นเดินเริ่มสำรวมนะสัต น้อยสัตว์ใหญ่หลีกได้ก็หลีกอย่ามีเจตนาไปเหยียบไปทำให้เขาตายยุงเวลาเกาะมากมากก็ตบไม่จะเป็นก็อย่าตบถ้ามากเกินก็ค่อยลูบคล้ำเอาเข้าข้างเตียงไว้หน่อยแล้วมั้งแมงวีปัดได้ก็ปัดปัดไม่ทันก็ตบเอาไม่ได้ผิดหมดขึ้นบ้านก็อย่ย่เช็ดถูงไงก็เบ า, บา ทำแกงไปเห็นก็มันตายบ้างก็ช่างมันเถ อ, อะไอความเข้าข้างมันก็ยังพอมีอยู่บ้างที่มันอยู่ที่เราแล้วจะรักษาได้ไม่ได้ไม่ขึ้นอยู่ที่ใครเลยเจตนาเป็นตัวกรรมต่อมาต้องเอาจิตดึงเข้ามาดูด้วยเจตนาคือตัวกรรมเรามีเจตนาจิตเราตั้งไว้ ก็คือสมทานว่าเราจะเว้นอะไรให้ตั้งเอาไว้ยมจะเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยมจะเว้นการลักทรัพย์เว้นในศีลที่เขายกไว้แล้วก็ทำให้ได้เหมือนที่ศีลบอกเจตนาที่ตั้งไว้ถ้าโยมทำได้จริงรับรองได้ว่าสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีถ้าทำได้จริงกระแสะโสดาบันเนี่ย โยมมองเห็นความบริสุทธิ์แห่งศีลโยมจะเห็นศีลของตัวเองบริสุทธิ์แล้วไม่กลัวนนะพูดผีปีศาจบอกร้ายๆเนี่ยโยมไม่กลัวก็บอกที่นี่ผีดูฟังและเฉยๆเราเห็นศีลของเราที่สะอาดบริสุทธิ์โยมไปนอนตรงนั้นได้เลยไปนั่งเลยเขาทำลายโยมไม่ได้ทำไม่ได้และก็ไม่ได้จริงๆ เพราะอะไรรู้ไหมเราไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นบิณ ญ, ญาณทั้งหมดจิตดวงนั้นภูมิเขาต่ำกว่าเราโยมจำคำนี้ภูมิเขาต่ำกว่าเราเมื่อภูมิต่ำกว่าเราอานาจทั้งหลายที่เขาแสดงกับผู้อื่นได้แต่แสดงกับเราไม่ได้เขาทำผู้อื่นได้หลอกล้อแต่หลอกล้อเราไม่ได้ อรามายินจันให้โยมข้อนี้ได้และโยมก็จะรู้ในจิตตัวเองไม่ตกใจไม่กลัวกับสงสารเมตตาสิดีไมด่ดีปิดประตูและบอกเขาให้สงบจากบาปทั้งหลายด้วยอำนาจศีลที่เรารักษาอยู่จงแผงให้วิญญาณหลนั้น จงได้รับรู้ศีลของเราด้วยเถอะที่มืดจะสว่างขึ้นที่ร้ายจะบันเทาที่เบาจะเสื่อมหายไปด้วยอํานาจของศีนี่แค่เบื้องต้นถ้าโยมทําได้จริงๆต่อไปเราจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่นิสัยของเราเราเป็นผู้มีศีน่ะภูมิพบถ้าโยมมีสักสองร้อยสามร้อยภูภูมิที่จะต้องเกิด เวียนตายเวียนแก่แต่มาไม่รู้ว่าภพภูมินั้นจะลดหรือย่อหรือสั้นลงไปเหลือเท่าไหร่บอกได้เลยว่าภูมิพเนี่ยจะสั้นลงไปสั้นลงสั้นลงสั้นล ง, นลงกรรมวิบากที่ร้า ย, ายทั้งหมดวิญญาณที่อาฆาตเราทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติ เพียงยมรักษาศีลให้ได้จริงๆแ่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยอาจจะมาบอกว่าหนทางแห่งความวิบัติหายนะทั้งหลายเนะี่ยจะเบี่ยงออกจากเราทันทีเลยแต่โยมต้องแน่วแน่มั่นคงนะแล้วต้องใช้คำว่าจริงใจปฏิบัติอย่าเป็นจริงโจ้ โดดไปโดดมาไม่ได้ถ้าเป็นจริงโจ้าปฏิบัติไม่ได้จริงใจและต้องผ่านข้อพิสูจน์ด้วยนะอะไรที่พิสูจน์กับชีวิตของเราความจริงใจเท่านั้นและศีลธรรมเท่านั้นที่จะพาเราให้ผ่านพ้นได้ไม่ว่ายมจะเจอสิ่งเลวร้ายแค่ไหนสิ่งอายุติธรรมแค่ไหนสิ่งย่อยยุเพียงไหน โยมต้องผ่านแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นั่นแหละคือการพิสทธิ์ในข้อศีลที่เป็นศีลจริงๆไม่ใช่แค่คำว่าสมทานศีลจนเป็นปรมัติศีลแบบถึงโยมไม่สมทานก็เข้มอยู่ในเลือดเนื้อเอ็นกระดูกดวงตาที่เห็นก็เห็นเป็นศีล คำพูดที่พูดก็พูดเป็นศีลการกระทาก็ทำเป็นศีลต่มาบอกเออนี่คือการแสพระอริยะบุคคล น, นี้ไม่นานวันนรกทุกขุมอภัยภิทั้งหมดจะปิดลงเขาจะไม่ไปสู่ภพเหล่านี้อีกต่อไปแล้วก็เรื่องจริงนะโยมเริ่มตรงนี้ก่อนบ่าคนปฏิบัติ จริงจริงจังๆเนี่ยปิดนรกก่อนเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องทีหลังรู้ป่บางคนไม่เข้าใจพยายมามจะมรรคผลนิพพานก่อนตะมาบอกคิดมันถูกแต่หลักความจริงยังไม่ใช่มันต้องดับไฟก่อนความร้อนจริงจะหมดความเย็นจริงจะเกิดตามหลังยอมอยู่อยู่อยู่อมบอกให้เย็นเลยเย็นเลยไฟยังโหมอยู่กไม่ใช่ ถ้ามาพอเข้าใจตัวนี้นั่งดูบอกรู้แล้วเราเห็นตัวเราแล้วเรารู้การดำเนินชีวิตของเราเราจับต้องศีลได้แล้วเราเข้าใจแล้วเรามองเห็นแล้วสิ่งที่เคยบังเราบังเราไม่ได้แล้วนั่งอยู่ในบาชา้าไม่มีความสะดุ้งกลัวเลยต่อพูดวิญญาณทั้งหลายมีแต่แผ่เมตตาส่วนกุศลบุธิภัยแล้วก็รู้สึกว่ามันสว่าง บางทีจิตเราสัมผัสเหมือนมันสวา่างแต่ไม่ใช่แสงแต่เรารู้ว่ามันสวา่างทุกอย่างจะนิ่งสงบลงและสะกดทุกอย่างที่เป็นสิ่งชั่วร้ายความอาฆาตพยาบาททั้งหมดมันจะเบาลงนี่คือจุดแรกต่อมาพอเข้าใจต่มาเน้นใหญ่เลย เน้นเรื่องศีลเป็นหลายเดือนเลยนะพอสติตั้งมั่นเจริญในศีลได้ตลอดออใจเราไม่มีเวรจริงๆแล้วบาปใจเราก็ไม่มีพยาบาทอาฆาตก็ไม่มีมุ่งร้ายก็ไม่มีคิดอยากดีอยากเด่นอยากชิงอยากแย่งของใครก็ไม่มี อีกหน่อยเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเรารู้แล้วสมบัติที่แท้จริงจิตจะนาไปไม่ใช่ชีวิตที่หยิบไปจิตของเราจะเป็นผู้นำไปโยมต้องรู้คำนี้ก่อนจิตของเราจะนาไปไม่ใช่สิ่งของที่เราหยิบไปทุกอย่าง วางอยู่กับที่วัตถุไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้วันที่เราจากไปแต่จิตจะนำไปในกุศลผลบุญทั้งหมดธรรมะบอกเออเรารู้แล้วอำนาจของศีลอานิส ง, งส์ของศีลเราเห็นแล้วพอเห็นเสร็จโยมจะมีพลังมาก เห็นอนุภาพของศีลเห็นอนุสงของศีลมีความสุขด้วยศีลจริงนะบอกมีสีเลสุกติงยันติเรามีความสุขอยู่กับศีลมีความสงบอยู่กับศีลมีความร่ำรวยอยู่กับศีลใจเรานี้รู้สึกได้เลยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแย่งชิงใครมันไม่ใช่ใจที่รู้ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ เราอย่าหลอกตัวเองสมบัติเป็นของที่ไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอย่าหลอกตัวเองว่ามันเที่ยงหรือยั่งยืนอย่าอยากได้เกินความจริงให้เป็นไปตามบุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาแล้วสิ่งนั้นถ้าอยู่กับเราก็จะมีความสุขทรัพย์ได้มาอย่างมีความสุขใจรัพย์ก็มีความสุขนั่นคือบารมี จมสังเกตนะใครที่ได้ทรัพย์มาด้วยความทุกข์ยากลำบากได้มาแล้วเวลาจะจ่ายก็ทุกข์ยากลำบากหรือมีภัยพิบัติหรือมีความเดือดร้อนไม่มีความสงบสุขเลยนั่นแหละไม่ใช่เกิดจากบารมีหรือบุญที่สง่งเกิดจากความโลภหรือเกิดจากการไปเบียดเบียนแย่งชิงเข้ามาหรือถูกสาปแช่งไว เป็นของร้อนพอจะมาเข้าใจเรารู้แล้วสิจะมาหาสมาธิต่อเลยพอเวลาปฏิบัติเขาเรียกเข้าไมได้เข้าเข็มหรือว่าไม่ได้สภาวะที่เรารู้ทางแล้วสนุกโยมเชื่อไหมใครบอกให้เลิกปฏิบัติจะมาบอกเอาไปฆ่าเถอะเราไม่เลิกใจเรามันไปแล้วใจไม่ไปไหนจดจอด่อจดจ้องรู้ อยู่กับโลกภายในมากกว่าที่ให้ความสำคัญกับโลกภายนอกแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องรู้จักชีวิตที่ใช้ว่าประมาณอยู่ตรงไหนอย่าปฏิบัติจนกว่าเราเป็นบ้าหรือคาว่าเราเพี้ยนหรือคำว่าเรานี้หลงทำเหมือนที่เคยมีเคยเป็นเคยอยู่ แต่เราจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราเข้าใจแล้วเน้นสมาธิตมานั่งปุ๊บตั้งจิตให้มัน่นจะไม่ส่งออกไปข้างนอกสัญญาต่างๆความหมายรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ให้วางไม่ปรุงไม่แต่งไม่หยิบไม่ยกรู้คือรู้ รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางทุกอย่างเมื่อเราไม่พรุงแต่งสิ่งที่เข้ามามันก็ค่อยดับไปดับลงดับลงดับลงความมั่นคงสติที่ตั้งกําหนดอยู่จดจ่อนิ่งสงบลงสงบลงจนเขาเรียกจิตเราดิ่งลงดิ่งดิ่งดิงดงดิงดจนเกิดเป็นสมาธิสงบนิ่งหนักหนักแน่น จนถึงก็เมื่อจิตที่วางเฉยผ่านปิติสุขผ่านวิตกวิจารอะไรทุกอย่างนะมันจะผ่านมาเองแต่ไม่ต้องไปเรียงตามตำรานะถ้าโยมจะมาปฏิบัติแล้วตำรามาเปิดตำมาบอกเข้าใจผิดแล้วตำราก็เป็นเพียงแนวทางแต่อย่าให้ตำราบอกว่าสิ่งนั้นคือทางแท้จริงไม่ใช่ทุกเรื่องใครบอกชีวิตคือตำราร้อยชีวิตก็ร้อยตำรา เป็นแนวแต่ไม่ใช่เป็นชีวิตพอเราปฏิบัติจริงปุ๊บรู้แล้วนิ่งสงบจะรู้ได้ไงรู้ด้วยใจของเราเองได้ยินเสียงรอบแต่ใจเฉยลืมตานิ่งหลับตาสงบลง เราเริ่มรู้ว่ามีข้อต่างเรารู้แล้วจิตเราเริ่มมั่นคงมั่นคงมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นใจเริ่มวางเฉยได้ความดิ้นรนทั้งหลายก็สงบลงสงบลงสงบล ง, ง, บลงใจเริ่มสัมผัสหลงว่าเออจิตของเราเริ่มตั้งมั่นใจเราเริ่มสงบสุดท้ายเราสามารถวางเฉยได้ ตาที่เห็นรูปใจก็เริ่มวางเฉยหูที่ฟังเสียงใจก็เริ่มวางเฉยได้การสัมผัสกับสิ่งใดชีวิตที่เราอยู่จิตก็เริ่มวางเฉยได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ยินอย่างนี้ไอไม่ยอมถ้าเห็นอย่างนี้อัวก็ไม่ยอม พอกระทบอะไรผิดใจหน่อยนี่ก็มีปัญหาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ใจสงบปล่อยวางได้แล้วใช้คำว่าสติที่ฝึกฝนอบรมจิตมาแก้ปัญหาแต่ไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผล ไม่ได้ใช้ความโกรธนี่คือการทำงานที่แท้จริงอย่าแสดงอาการคุ้มครั่งแสดงด้วยเหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ทั้งหมดยมจะอยู่เหนือคนนั่นคือความมั่นคงของจิตที่ตั้งมั่นพอเราฝึกได้อานิสงบอกไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่ พอเราเข้าใจสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของชีวิตเราจะพักผ่อนด้วยสมาธิบางรูปบางองค์บางคนเขาไม่นอนนะเขานั่งอาจจะนั่งพิงก็เป็นท่านั่งสมาธิแต่ก็ไม่ได้ว่าต้องทำอย่างนั้นชีวิตจริงเราใช้แบบชีวิตนั่งยืนเดินนอนแต่ว่าสมาธิจิตของเราต้องมีความสงบตั้งมั่น พอเกิดอะไรขึ้นสติที่เราลึกได้เราใช้สติไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลใช้ปัญญาเยาโลภโกรธลงมาแสดงตัวตนที่มันมากมายจนเป็นปีศาจไปเวลานั้นโดยเราไม่รู้ตัวและอีกไม่กี่วันเราก็จะจากโลกนี้ไป สิ่งที่บอกว่ารู้จริงๆยังไม่รู้ว่าอีกสองปีจะตายทาบอกว่ารู้ไปหมดรู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างจริงๆคนคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วจะเกิดอะไรกับชีวิตของตัวเองน่าสงสารรู้แต่เรื่องภายนอก แต่ไม่รู้เรื่องชะตากรรมชีวิตที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ที่จะไปสู่เบื้องหน้าสำคัญนะพอจะมาเริ่มสัมผัสส ม, มาธิเป็นอย่างนี้เองเอดศีลส ม, มาธิรู้แล้วใจไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ส่งออกนอกเกินไปต่อไปเข้าออกสงบเร็ว พอทําต่อเนื่องมีกําลังปุ๊บปุ๊ปหลับตาลืมตาใจมันดูเหมือนเกือบเกือบจะเท่ากันแล้วลุกยืนลุกเดินนั่งจิตก็เป็นสมาธิบอเออแสดงว่าสมาธิไม่ใช่อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถอยู่ที่สติจิตเราสงบลงแล้ว มาร้องอ๋อเลยอ๋อนึกว่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วจะได้นั่งอยู่แค่นี้จึงจะเรียกว่าสมาธิบอกสุดท้ายสมาธิไม่ใช่แขนขาไม่ใช่สันหลังไม่ใช่เอ็นกระดูกแต่เป็นจิตที่สงบตั้งมัน่นอ๋อลืมตามันก็ยังเป็นลุกเดินดูสิเออมันก็ยังกำหนดเหมือนเดิม ไหนลองนั่งใหม่เออมันก็ยังใช่ทีแรกนึกว่าพอขยับปุ๊บเดี๋ยวจะเสียสมาธินั่นเป็นการเข้าใจเปลือกนอกผิดผิดถ้าเข้าใจถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ในอิรียาบทแต่เป็นใจที่เราฝึกแล้วสงบลงด้วยใจของเราที่เราได้ทำให้เกิดสมาธิต่างหาก แล้วสามาธิสุดท้ายธรรมาก็ยังถามและเป็นของเราไม่บอกสามาธิเป็นสภาวะหนึ่งของจิตอย่าไปยึดว่าเป็นของเราแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงตลอดเป็นเพียงความสงบแห่งใจที่เป็นสามาธิเป็นบาดลองรับชีวิตที่เราควรอยู่อย่างผู้มีจิตอันเป็นปกติเราเข้าใจแล้ว ไม่ใช่มีเพื่อติดเพื่อยึดแต่มีเพื่อเป็นบาดรองรับชีวิตของเรายามเจอสุขยามมีทุกขยามได้ยามจากยามสมหวังผิดหวังมั่นคงไว้ชีวิตยาวหวันไวอุปสรรคน้อยใหญ่จะลังไหลลงมาสู่จิตดวงนี้ สุดท้ายให้รู้จักว่าแล้วเจริญสติยกจิตพิจารณารูปนามขันเป็นวิปัสสนาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือขั้นสุดยอดพอกำหนดพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะรู้ว่าจิตเราควรจะว่างควรจะวุ่นควรจะยึดหรือควรจะวางแค่ไหน เมื่อถึงเวลาจิตดวงนั้นจะรู้ทางไปแล้วมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีล้วนอนิจจงชีวิตสุขชีวิตทุกขเกิดมารวนแต่มาใช้กรรมวิบากทั้งบุญทั้งบาสุขเสมือนบุญที่เสวยบาปก็เหมือนเวรกรรมที่ชดใช้ สุดท้ายก็ว่างเปล่าในที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งยมจะเข้าใจเองแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดมเมฆหมอกยังบางสรุปอะไรยังไม่ได้แล้วก็ยังมีเหตุที่จะดึงให้เราไปสู่การเสียเวลากับพบภูมิอีกไม่รู้อีกนานแค่ไหนตอบไม่ได้มันยังมีเหตุของมันต่มาบอกว่าเราไม่ได้ควบคุมในทุกอย่างอย่าลืมคำนี้ แต่ใช่ว่าเราจะไม่ควบคุมชีวิตของเราเป็นบางอย่างและก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่บอกเออถอนหายใจรู้สึกดีหรือรู้สึกหนักใจก็อยู่ที่โยมตอบปัญญาบอกไม่ได้มันต้องแก้ไปเรื่อยๆตราบใดโยมยังใช้ เมื่อกับเราขับรถตราบใดยังใช้รถคันนี้อยู่โยมก็ต้องเป็นช่างที่ซ่อมมันมันก็ต้องเสียอยู่วันยังค่ำหยุดใช้เมื่อไหร่ก็หยุดเสียมันนั่นต้องใช้ปัญญาชีวิตไร้ปัญญาก็เหมือนไม่มีที่พึ่งในที่สุดโยมอย่าลืมนะ กรับใดโยมยังมีปัญญาโยมยังมีที่พึ่งอยู่ต่อให้ทรัพย์สินเริงคารมากมายแค่ไหนวันนี้คิดอะไรไม่ออกแล้วยมก็ไม่มีที่พึ่งเลยต่อให้รั้วบ้านทำอย่างดีสนามหญ้าอย่างดีทุกอย่างดูเหมือนว่าดีกว่าคนอื่นที่เขาจะจะมีได้เรามีแล้ว แต่นั่นมันไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ยังไม่ใช่ที่พึ่งยมดูพระพุทธเจ้าสุดท้ายอะไรเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้ายังหาคำถามเหมือนกันเมื่อตรัสรู้แล้วอะไรยังเป็นที่พึ่งพระองค์อีกหรือเปล่าคนเราเกิดมาจะต้องมีที่เคารพ พระ อ, องค์ระลึกถึงใครที่ต้องเคารพถึงบุคคลพิจารณาแล้วก็ไม่มีเหตุสุดท้ายพระ อ, องค์ก็ต้องมีความเคารพอยู่ด้วยคำว่าเคารพธรรมแต่บุคคลเคารพไม่ได้แล้วเพราะพระ อ, องค์เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่เหนือที่สุดแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีใครแล้วที่จะให้พระองค์เคารพได้นอกจากธรรมเท่านั้นก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ